พระองค์เนี่ยเกิดมาในสมัยที่คนมีพระชนมาายุไม่มากนะน้อยเต็มทีร้อยปีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะที่อยู่ในสมาคมที่ทําบุญบูชาพระพุทธเจ้าติดสัก น, นะคือพระพุทธเจ้านั่งพยากรณ์ท่ามกลางหมู่มหาชนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายว่าพระโพธิสัตว์ที่เอาดอกไม้ทิพมาบูชานี้อนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้าผนเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นพอฟังพุทธ ด, ดรำรับตรัส ของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์ผู้สแสวงหาคุณที่ยิ่งใหญ่ก็ปราบปลื้มใจว่าท่านผู้นี้เป็นหนอ่อพุทธทางกูลจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นหมื่นโลกธาตุทั้งเทวโลกพากันโห่ร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญชลีนะมาสการกล่าวว่าถ้าหาว่าพวกเราพลาดาศาสนาของพระ โลกกันหนาพระองค์นี้ใชยอนาคตพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้มนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามท่าน้าข้ามท่ามันีหมายความว่าหมายความมีเรือลำใหญ่มากะนะมาจอดแล้วก็ต้อนคนขึ้นเรือแล้วก็จะได้พาข้ามพ้นจากคะเลทุกเนี่ยนะเหมือนบ้านเมืองที่มีสงครามทะเละเบาแว้งกันมีแต่ข้าศึกมีแต่ศัตรูก็มีเรือสำเาลลำใหญ่มากเลย ขึ้นเรือไปขึ้นเรือแล้วก็ขับเอาไปก็เรียกว่าพาข้ามฟากทีนี้ถ้าเรือลำนั้นผ่านไปแล้วเอามาไม่ทันเรือหรือตกเรือขวันค้าแบบนี้ก็เลยเรียกว่าพลาดท่าน้ําก็แปล ว, ว่าตกเรือนั่นเองก็จะถือเอาท่าน้ําข้างหลังก็รอลําใหม่ทยอยมาจอดเทียบท่าคือพระพุทธเจ้าก็มาเทียบท่าแล้วพาสัตว์ให้ข้ามพ้นจากวัตทุกข์นั่นก็เรารอข้ามท่าหลังก็แล้วกันฉันใด พวกเราทั้งหมดถ้าหากว่าผ่านพ้นหรือพลาดจากศาสนาของพระชินเจ้าพระนามว่าติดสะพระองค์นี้สายอนาคตพวกเราขอจักขออยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ฉะนั้นเหมือนกันฝ่ายพระโพธิสัตว์นั้นพอฟังพระดํารัสของพระพุทธเจ้าติดสัแล้วก็ยิ่งเลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดขึ้นไปบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์ พระติสาพุฎเจ้าผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่มีพระนครที่เกิดชื่อว่าเมืองเขมกะพุทธบิดาพระเจ้าชนะสันทัพระชนนีพระนางปธุมาพระองค์ครองคารวาสวิสัยอยู่แสนปีมีปราสาทชั้นเยี่ยมสามหลังชีวคุณเสลาอนาธิยะและนิสพะ พระองค์มีสนมนารีที่แต่งกายงดงามสามหมื่นนางอัครามเหสีชื่อว่าพระนางสุภัฏฐาพระโอรสของพระองค์พระนามว่าอานันทะพระชินะพุทธเจ้าทรงเห็นนิมิตสีเสด็จออกอภินิสกรมด้วยยานมาคล้ายโพธิสัตว์ของเรานะพระโพธิสัตว์ของเราก็สเสด็จ ด, ด้วยยานมาพระองค์ตั้งความเพียรครึ่งเดือนเต็มโอ้สิบห้าวันเนี่ยนะรวบรวมโพธิยานได้สําเร็จเนี่ยนะเก่งมากเลยนะมีบุญมาก พระมหาวีระติสัพุทธเจ้าผู้นำผู้นำที่เลิศแห่งโลกอันเท้ามหาพรหมราชนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรนยสวดีทายวันอันสูงสุดนะครก็ประกาศพระธรรมจักรที่ป่ายสสวดีเนี่ยนะยะสวดีทายวันพระติสัพุทธเจ้าผู้สแสวงหาพระคุณที่ใหญ่พระองค์นั้นมีอักระสาวกชื่อว่าพรหมเทวะและพระอุทยอุ อ, อุปถากของพระองค์ชื่อว่าทสัสมังคะเนี่ยังคะนีพระอัคระสาวิกาชื่อว่าพระผุดสาและสุทัตตาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าอัสนะหรือต้นประดู่อัคระอุปถากชื่อว่าสัมภะและสเสระอัคระอุปถายิกาชื่อว่ากีสาโคตมีและหุปเสนาพระชินะพุทธเจ้าพระองค์นั้นสูง60ศอก พระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีใครเปรียบไม่มีผู้เสมือนปรากฏเด่นเหมือนภูเขาหิ ม, มวันพระพุทธเจ้าเนี่ยมองเห็นเด่นชัดเหมือนดูภูเขาอย่างนั้นนะแต่เป็นภูเขาทองพระผู้มีจักสุ ด, ดำรงอยู่ในโลกแสนปีแม้พระองค์ผู้มีพระเดชไม่มีผู้เทียบก็มีพระชนมายุเท่านั้นพระองค์พร้อมทั้งสาวกเนี่ยนะสเสวยพระยศอันยิ่งใหญ่ที่อุดมเลิศประเสริฐสุด รุ่งโรจน์แล้วก็ดับขันพ่าปรินิพานเหมือนกองไฟที่ดับไปฉะนั้น น, นะกองไฟที่ระดมเอาเชื้อมาสุบๆๆสว่างสวัยไปหมดเมื่อสิ้นเชื้อไฟก็เป็นอันโมดดับไปฉนันใดพระองค์พร้อมทั้งพระสาวกทั้งหลายก็ปรินิพานเหมือนเส ม, มือนอไรเหมือนพลาหกหายไปพะลมก็ เ, เห็นเมฆไม่เมฆนะโอ้ยทำมึนทึบไปหมดเลย ลมใหญ่ๆพัดมาเมฆเหล่านั้นก็หายไปหมดชันใดพระพุทธเจ้าก็ดับขันปรินิพานเหมือนเมฆที่หายไปเพราะลมพระพุทธเจ้าดับขันทัปปรินิพานเหมือนน้าค้างหายไปเพราะดวงอาทิตย์ยามเช้าใครเนาะคิดว่าโอ้น้ําค้างเนี่ยเปียกชุ่มไปหมดเลยนะสายมานิดหนึ่งค่อยๆแห้งพออีกภักหนึ่งเนี่ยไม่มีเลยก็เรียกว่าเหมือนหยาดน้ําค้างบนยอดหญ้าดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็หายไป หรือเหมือนความมืดที่หายไปเพราะดวงประทีปฉะนั้นมืดๆอยู่ดีๆพอจุดแสงไฟความมืดเหล่านั้นไม่รู้หายไปไหนฉันใดพระพุทธเจ้าก็ปรินิพานดับหายไปฉะนั้นท้าอันนี้เป็นอุปมาเกี่ยวกับปรินิพานของพระพุทธเจ้าใช่ไหมว่าเหมือนไฟกองใหญ่ที่ดับไปเพราะสิ้นเชื้อเหมือนเมฆหายไปเพราะลมเหมือนน้าค้างหายไปเพราะดวงอาทิตย์เหมือนดวงประทีปความมืดหายไปเพราะ ดวงประทีปถาธาพระองค์อุปมาตอนพระพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทัศสีพระองค์ก็เปรียบว่าอุปมาพระพุทธเจ้าปรินิพานเหมือนดวงจันทร์เคลื่อนจากท้องนภาการนะสำหรับพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัรมทัศสีก็บอกว่าสิ้นอุปาทานเหมือนดวงไฟดับเพราะสิ้นเชื้ออันนี้ข้ออุปมาว่าสําหรับผู้ที่สิ้นทุกอย่างใครที่ไม่ไม่สบายไข้ขึ้นเนี่ยนะพอลดไข้หายไข้ไ ข, ข, ข้มันหยุดไปหายไปอยู่ที่ไหน หายไปอยู่ที่ไหนหรือว่าแหม้ปวดปวดมากลุงเรื่องอนะตอนความเจ็บปวดตอนนี้มันไปเก็บไว้ตรงไหนนะนั่นแหละมันหายไปฉะนั้นเนี่ยนะมันเพราะอะไรเพราะหมดปัจจัยใช่ไหมหมดเหตุหมดปัจจัยสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอันดับไปสลายไปเหมือนไฟที่สิ้นเชื้อฉะนั้นเนี่ยนะ ส่วนอัตถกาถามทุรฐวิลาสินีกล่าวว่าต่อมาภายหลังสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าสิทธธ ถ, ถาพระองค์นั้นก็ว่างจากพระพุทธเจ้าไปกลับหนึ่งที่สุด92กลับนับแต่กลับนี้ก็บังเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นสององค์ในกลับหนึ่งคือพระติสระและพระปุสะ บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งสององค์นั้นพระมหาบุรุษพระนามว่าติดสะบมเพนบารมีทั้งหลายแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากนั้นก็ถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางปทุมาเทวีผู้มีพระเนตรงามเหมือนกลีบบัวอัครมเหสีของพระเจ้าชนะสันทะกรุงเคมกะครบถ้วนอยู่ในพระคันครบถ้วนกําหนดทศมาศก็ประสูติจากพระคันพระชนนีณอโนมราชุตยาน เพราะว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ล้วนแต่ประสูตรในป่าประสูตรในอุทยานหรือในป่าหรือในสวน่ะนะพระองค์ครองคารวาสวิสัยอยู่เจ0ดพปีมีปราสาทสามหลังชื่อว่าขุหาเสลาแล้วก็นาริสยะและก็นิสพะมีสนมนารีสามหมนสาพันนางมีพระนางสุพัฒนาเทวีเป็นประมุก น, นนะะว่าครองคารวาสอยู่เท่าไหร่ เจ็ดปีแต่สมัยนะั้นนะถ้าคนอายุขนาดนี้ก็แต่งงานตอนอายุสักห้าร้อยปีขึ้นไปนะห้าร้ปีเขาบอกว่าแหมถ้าเป็นศาสน า, าพระศรีอารเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรนะเด็กหญิงอายุห้าร้อปีจึงจะควรแต่งงานนะเด็กหญิงเลยนะห้ารอยปีเนี่ยตาของพวกเราถ้าอายุห้าร้อปีเนี่ยโหจะเรียกอะไรเนาะอายุห้าร้ยปีก็ยิ่งกว่าทวดของทวดของทวดของทว ด, อ, ทวดอีกหลายทวดเลยแหละ เมื่อพระอนันทกุมารพระโอรสของะนางสุพัทธาเทวีสมภพ พ, พระมหาบุรุษเห็นนิมิตสี่พระองค์ก็เสด็จขึ้นมา้าต้นตัวเยี่ยมชื่อว่าโสนุตระพระองค์ออกมหาพิเนศกรมผนวดมนุษย์โกดหนึ่งก็บวชตามเสด็จพระองค์อันเหล่าภิกษุแวดล้อมแล้วบำเพ็ญเพียร8เดือนในวันวิสาขบูรรมีก็รับข้าวมาทุ ป, ปายญาต พระองค์ก็รับข้าวม า, า, าทุบปาหญ้าที่ที่ไหนรับข้าวมาทุบปาหญ้าที่ทิดาวีระเศรษฐีณนะวีระนะคมถวายพระองค์ก็ยับยั้งพักกลางวันนสารละวันนะนะหรือสารละวันถ้าสารละวันนี่แปลว่าป่าต้นช้างน้าวหรืออ้อยช้างบางทีก็แปลว่าอ้อยช้างก็ได้ เวลาเย็นพระองค์ก็ทรงรับหญ้า8ดกำรรที่คนเฝ้าไร่ข้าวเหนียวชื่อว่าวิชิตะสังขามกะนะวิชิตะสังขามกะแปล ว, ว่าผู้ชนะสงครามเนี่ยนะถวายแลว้วเสด็จเข้าไปยังโพพฤกชื่อว่าอสนะคือต้นประดู่ต้นประดู่เนี่ยเป็นต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระองค์นะพระองค์ก็ล่าสันทัตหญ้ากว้าง40สศอกประทับนั่งขัดสมาที่เนื้อบลังหญ้านั้น ทรงกําจัดกองกําลังมารพร้อมด้วยตัวมารบรรลุพระสัพทานยุติยานเปล่งพระอุทานว่าอเ น, นกชาติสังสารังเป็นต้นทีนี้เมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ประทับอยู่บริเวณต้นโพเนีเจ็ดสัปดาห์นะพอสัปดาห์ที่แปดก็น้อมไปขวนขวายน้อยที่จะไม่แสดงธรรมพระพุทธเจ้าพร้มก็มาราธนาพระองค์ก็รับ พระนารัอาราธนาของพร้มก็เห็นอุปนิสัยของพระราชโอรสกรุงยศวดีสองพระองค์ น, นะโอรสของโอรสกรุงสยวดีพระนามว่าพรห ม, มเทวะและอุทยะสององค์พร้อมด้วยบริวารคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นบุคคลที่ทำอะไรนั้นจะต้องตรวจสอบทุกอย่างว่า เขาจะบรรลุไหมบรรลุพระพระธรรมเทศนาสูตรใดบรรลุเมื่อไหร่บรรลุตอนเชา้าตอนสายตอนบ่ายหรือตอนค่าบรรลุด้วยธรรมเทศนาแบบใดจะต้องบรรลุในสังคมสิ่งแวดล้อมแบบไหนแบบไหนเนี่ยนะพระองค์จะตรวจทั้งหมดก่อนแล้วพระองค์จึงจึงจึงทำการแสดงธรรมเพื่อโปรดเพื่อสงเคราะห์เขาเนี่ยนะให้ปัญญาแก่เขาแปลว่าผ่านการไข่ควรวญอย่างรอบคอบเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะ พระองค์ก็เลยแสดงธรรมพอพระ อ, องค์เห็นอุปนิสัยพระ อ, องค์ก็เสด็จไปที่ยะสวดีมิกระทา ย, ยวันปโปรดให้พนักงานเฝ้าพระราชอุทยานเชิญพระอรสเข้ามาคือพระพุทธเจ้าทุกพระ อ, องค์เนี่ยจะต้องแสดงธรรมในอุทยานเนี่ยนะต้องแสดงแปลว่าแสดงธรรมในป่านั่นเองนะประสูตย์ที่ประสูตยในอุทยานคือป่าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในป่าแสดงธรรมก็แสดงธรรมที่ ป่าซะส่วนใหญ่นะท ร, รมาจากครั้งแรกแสดงในป่าโดยมากจะแสดงให้นักบวชฟังเน่นะเมื่อพระองค์เสด็จไปที่ยัสสวดีมิขะทายาวานพระองค์ก็รับสั่งให้พนักงานที่ดูแลเฝ้าราชุทยานไปเชิญท่าโอรสทั้งสองมาพระองค์ก็ยังหมื่นโลกธาตุให้เข้าใจหมหมายความว่า เปล่งเสียงพระสุรเสียงให้ดังก้องหมื่นโลกธาตุด้วยพระสุรเสียงที่สำเนียงเหมือนเสียงพรหมไม่พลาเป็นเสียงที่ไพเราะซาบซึ้งประกาศพระธรรมจกักแก่พระราชโอรสทั้งสองพระองค์นั้นพร้อมกับบริวารครั้งนั้นธรรมมาพิสมัยครั้งที่หนึ่งก็ได้มีแก่สัตรว์จํานวนร้อยโกดดังที่พระองค์ตรัสว่าต่อจากสมัยพระสิทธถาพุทธเจ้า ก็มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าติดสะผู้ไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้เทียบมีพระเดชไม่มีที่สุดมีพระบริวารยศหาประมาณไม่ได้เป็นผู้นําที่เลิศแห่งโลกพระมหาวีระผู้ประกอบด้วยความเอนดูมีพระจักสุทรงกําจัดอนทการคือความมืดอย่างโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้สว่างพระองค์ทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก พระวรรธิ์ของพระองค์ก็ช่างไม่ได้ศีลและสมาธิก็ช่างไม่ได้พระองค์บรรลุถึงฝั่งพระบารมีในธรรมทั้งปวงทรงให้พระธรรมจักรเป็นไปแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกาศพระวาจาอันสะอาดคือประกาศพระธรรมจักรให้สัตว์ตรัสรู้ร้อยโกรธในหมื่นโลกธาตุเห็นอมตะธรรมบรรลุพระนิพพานอันนี้เป็นการแสดงธรรมครั้งที่หนึ่งสมัยต่อมาคือในสมัยที่พระมหาบุรุษ ทรงละการอยู่ป่าเป็นหมู่แล้วเสด็จไปยังโคนโพพฤกษ์หมายความว่าพวกกลุ่มพระภิกษุที่บวชตามเสด็จพระองค์นะภิกษุที่บวชกับพระติสสะสาสดาจํานวนโกรหนึ่งก็แยกไปเสียที่อื่นพระองค์ก็เห็นภิกษุหนึ่งนั้นน่ะภิกษุโกฏหนึ่งนั้นน่ะทราบขาว่าพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระธรรมจักภิกษุที่บวชตามเสด็จก็พากันมาที่ยะสวดีมิขทายวันถวายบังคมพระศาสดา ก็นั่งแวดล้อมพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงธรรมโปรดภิกษุเหล่านั้นครั้งนั้นอภิสมัยการตรัสรูธ้ธรรมครั้งที่สองก็ได้มีแก่สัต์9กโกธต่อมาอีกในสมัยมหามงคมมหามงคลสมาคมก็คือมงคลสูตรนะอนนเสวนาจะพภาลานางังปัิตาิานันะเสวนาคือว่าเป็นการแสดงธรรมที่ใหญ่มากเลยนะ ก็จริงอะนะโดยมากเนี่ยมงคลสูตรจะสวดเมื่อมีงานใหญ่ๆนะเมื่อมีงานใหญ่มีการประชุมกันก็จะแสดงมงคลมันสัตว์สัต์ทั้งหลายถือว่าค่อนข้างคุ้นกับมงคลหันสมาคมของผู้ที่มาฟังมงคลมงคลสูตรเนี่ยจึงมากเมื่อแสดงมงคลจบอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมก็ได้มีแกรรรษัตว์หกสโกด ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอภิสมัยครั้งที่สองการตรัสรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์90โกธอภิสมัยครั้งที่3การตรัสรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์หกโกดครั้งนั้นพระติสสะพุทธเจ้าทรงเปลื้องสัตว์คือมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้พ้นจากเครื่องผูกเครื่องผูกคือสังโยชน์นั่นนะเครื่องผูกมาจากสววาวะพันธนโตหรือว่าพันธนาการพระองค์ช่วยให้สัตว์หลุดพ้นจากพันธนาการเครื่องผูกคือสังโยชน์ อันนสังโยชน์ที่ผูกสัตว์เนี่ยนะกะเาเรียกว่าสังโยชน์นี่แบ่งออกเป็นสองกลุ่มสังโยชน์ที่ผูกไว้เบื้องต่ำกับสังโยชน์ที่ผูกไว้เบื้องสูงสังโยชน์ที่ผูกไว้ในเบื้องต่ำ้าเรียกว่าอะไรนะอุทังอโอะไรนะอุทังอุธรรมภาคยะสังโยชน์อังนั้นสังโยชน์ที่ผูกไว้เบื้องสูงอน ส่วนโอรัมภาคิยาสังโยชน์เนี่ยผูกไว้เบื้องล่างนะโอรัมภาคิยาสังโยชน์คือสกายะทิฐิวิจิกิจชาสีละพัตตปรามาต์การมราคะและปฏิฆะก็เรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ําที่ผูกไว้ในการมาพบส่วนสังโยชน์เบื้องสูงคือรูปปราคะอรูปปราคะมานะอุทจาวิชานี่ก็ผูกไว้ในพบเบื้องสูงเนี่ยนะก็ทีนี้สังโยชน์เบื้องต่าก็แบ่งว่าผูกไว้ในอบายพบกับผูกไว้ใน สุขติถ้าสกายะทิฐิวิจิกิจฉาสีละพัตตะปรามาตกลุ่มเหล่านี้โดยมากผูกไว้ในอบายทุคติวินิบาตเนี่ยนะเพราะว่าโดยเฉพาะสีละพัตตะปรามาตตัวนี้ร้ายแรงเนี่ยนะเป็นเหตุให้ไปสูนน่นรกกับเดรฉ า, านเป็นต้นพระองค์ก็แสดงธรรมให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากเครื่องผูกผูกที่จริงเครื่องผูกเหล่านั้นก็เป็นชื่อของอะไรโลภะโทสะและ โมหะบาปอากุศลอกุศลธรรมทั้งหลายนี่แหละที่ผูกให้ไปสู่ในสถานที่ที่ตกต่ำครั้งนั้นพระติสสะพุทธเจ้าอันพาอารหันท์ที่บวชภายในพรรษาในยะสวดีนครเวดล้อมแล้วพอถึงวันปวารณาพรรษาอันนี้เป็นสันนิบาตการประชุมอรหันตสา ว, วกครั้งที่หนึ่ง น, นก็คือประชุมวันออกพรรษานั่นเอง เมื่อพระโล ก, ก น, นาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงนาริวานะนครนาริวานะกุมารโอรสของพระเจ้าสุชาตผู้เกิดดีทั้งสองฝ่ายพระโอรสพร้อมทั้งบริวารก็เสด็จออกไปรับเสด็จนิมนต์พระทศพลพร้อมทั้งพิสูจสงถวายอาสาที่สถานเจ็วันก็มอบราชสมบัติของพระองค์ให้แก่พระโอรส พระองค์พร้อมด้วยบริวารก็ผนวดบวช ด, ด้วยเอหิพิขุบรประชาในสำนักของพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าะพระเจ้าสุชาตานี่ออกบวชเลยนะผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งปวงคือพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้เลิศในโลกทั้งมวลเล่ากันมาว่าการบรนประชาของพระองค์เนี่ยปรากฏโด่งดังไปทุกทิศคือพระราชาออกบวชตามเสด็จผู้ใดเนี่ยนะโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะเป็นที่กล่าวขานโจดกันนะโจดขานพูดถึงกันมาก เพราะฉะนั้นมหาชนมาจากทิศนั้นบวชตามเสด็จพระเจ้านาริวาหนะกุมารก็คือบวชตามตามตามเสด็จพระราชกุมาร น, นั่นเองครั้งนั้นพระตถาคตเสด็จไปถามกลางพิสกษุ9ล้านยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงอันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สองต่อมาชนอีกประมาณ8ล้านฟังธรรมกถาเรื่องพุทธวงศในสมาคม พระญาติเนี่ยนะก็คือญาติพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นญาติใหญ่มากเนี่ยเป็นวงตระกูลที่สืบกันมาเก่าแก่มากเพราะฉะนั้นญาติก็เยอะบริวารก็มากเมื่อพระองค์ไปแสดงพุทธพุทธวงศในสมาคมนั้นก็มีผู้ที่เลื่อมใสออกบวชตรัสรู้นะพระองค์ก็เลยอาศัยเหตุการณ์อนั้นยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงที่กรุงเขมวดี พระสุคเจ้าอันพระภิสุเหล่านั้นเวทล้อมแล้วยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงอันนี้เป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่สจึงกล่าวเป็นคาถาว่าพระติสสะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงมีสันนิบาตการประชุมพระสาวกขีณาศพผู้ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่สามครั้งการประชุมพระสาวกขีณาศพแสนหนึ่งเป็นครั้งที่หนึ่ง ประชุมสาวกขีนาศก9ล้านเป็นครั้งที่สองประชุมสาวกขีนาศกผู้ไร้หมันทินผู้บานแล้วด้วยวิมุตแปดล้านเป็นสันนิบาตครั้งที่สสมัยต่อมาในในช่วงหนึ่งนะนะในรายการช่วงหนึ่งของอพระชนชีพของพระพุทธเจ้าพระนามว่าติดสะนั้นพระโพธิสัตว์ของเราก็เป็นพระราชานามว่าพระเจ้าสุชาตกรุงยศวดี พระเจ้าสุชาตสละราชสมบัตินะนะสละราชอาณาจักรที่มั่นคงและก็รุ่งเรืองไม่ใช่ว่าบริหารประเทศไม่ไม่ไหวแล้วนะก็ เ, เลยสละตําแหน่งเลยไม่ใช่หมายคาอว่าเมื่อบริหารประเทศถึงความรุ่งเรืองเต็มที่พระองค์ก็สละกองทรัพย์หลายโกรและคนใกล้ชิดที่มีใจจงรักพักดีนะถึงเขาจะพักดีขนาดไหนก็ว่าพักดีกันได้เฉพาะชาตินี้แหละส่วนชาติต่อๆไปทางใครก็ทางใครพระองค์ก็เลยตัดสินใจ บวชเนี่ยนะบวชเพื่อจะเจริญกุศลนะยิ่งยิ่งขึ้นไปเหตุทีท่บวชเนี่ยนะมากก็คือก็คือสังเวทใจในทุกขมีชาติทุกข์เป็นต้นนะเพราะว่าชาติทุกข์เห็นความเกิดก็เป็นทุกเห็นความแก่ก็เป็นทุกเห็นความทุกขของผู้ที่เกิดมาในโลกเนี่ยนะมากมายันถ้าใครที่ไปงานวันเกิดบ่อยๆไปงานนะวันอะไรเดี๋ยวก็งานศพ บ, บ่อยๆเนี่ยก็เห็นว่าโอ้นี่ถ้าไม่ ถ้าเขาไม่เกิดเขาไม่ทุกข์อย่างนี้โรคกถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายอย่างนี้โรคกเป็นต้นเน่นะก็เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดใจอย่างมากเพราะฉะนั้นควรที่จะสแสวงหาโมกกธรรมตามธรรมเป็นที่พ้นจากความเกิดและความตายพระราชาคือพระโพธิสัตว์ของเราก็เลยออกบวชเป็นดาบทบวชแล้วก็ไม่ประมาทมีริธฐานุภาพมาก พระโพธิสัตว์ได้สดับข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกเนี่ยนะก็คืออิทิอิทาตถาคตโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธนั่นแหละอย่างที่เราสวดๆวนะพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นตอนก็จะเป็นที่มาของอิติปิโสพะควาอารหังสัมมาเนี่ยนะพระโพธิสัตว์พอได้ฟังข่าวอย่างนั้นเท่านั้น วรกายอันปีติหถูกต้องแล้วเนี่ยนะปีติที่มันมีอยู่ทุกชนิดเนี่ยหลังไหปลปราบเพิ่มไหลมาท่วมทับใจของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มีความยำเกรงในพระพุทธเจ้ามากเคารพในพระพุทธเจ้ามากก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าติดสะถวายบังคมหลังจากกราบเสร็จก็คิดว่าเราจะทําการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้ที่มีดอกมณฑารพดอกปริชตะกะเป็นต้น คือหมายความว่าหลังจากกราบเสร็จเอ๊ะเอาอะไรบูชาพระองค์ดีเนาะก็เลยเอาดอกไม้ทิพนี่แหละคิดอย่างนี้เสร็จก็ไปเทวโลกเลยนะไปไปสู่โลกสวรรค์ด้วยริ์เข้าไปยังสวนจิตระดาบรรจุพระอบที่สำเร็จด้วยรัตนะขนาดขาวุธ1หนึ่งสี่ขาวุธเป็นหนึ่งโยดกด้ี่สี่สบหก็รัศมีสี่กิโลเนี่ยนะบรรจุดอกไม้มาเต็มไปหมดเต็มด้วยดอกพระอบเนี่ยใหญ่ขนาดพื้นที่เนี่ยสี่กิโลเนี่ยนะ กว้างยาวลึก4ี่กิโลบรรจุเอาดอกไม้ทิพมาเลยดอกปริชัตจกะดอกมณธารบแล้วก็มาทางนัทท้องนัากาศบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ทิพที่มีกลิ่นหอมเสร็จแล้วก็กั้นดอกประทมต่างฉัดคันหนึ่ง น, น, นซึ่งมีด้ามเป็นแก้วมณีมีเกสรเป็นทองมีใบเป็นแก้วทับถิม เหมือนฉับที่สําเร็จด้วยเกสรหอมไว้เหนือพระเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ยืนท่ามกลางพุทธบริษัททั้ง4ี่เนี่ยนะอ่าพ ษ, บ ษ, พษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุวาสกและอุวาสิกาบริษัทเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็ยืนถือร่มเป็นพุทธบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์นั้นว่าอีก9กบสองโกฎนับแต่กับนี้ไปจกเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะดังที่พระองค์ตรัสเล่าว่า สมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์นามว่าสุชาตสละพคสมบัติยิ่งใหญ่บวชเป็นฤาษีเมื่อเราบวชแล้วพระผู้นำโลกก็อุบัติเพราะได้สดับเสียงว่าพุทโธเราก็มีปีติเราใช้มือทั้งสองประคองดอกไม้ทิพย์คือดอกมณทารพบดอกปฐุมดอกปริชัตตะสบัดผ้าคากรองเข้าไปเฝ้าเราถือดอกไม้นั้นกัน้นพระติสชินาพุทธเจ้าผู้นาเลิศแห่งโลก อันบริษัททั้งสี่เนี่ยนะเวดล้อมแล้วเสร็จแล้วก็ไหว้ด้วยดอกบัวนเนี่ยนะเหนือเสียงกล่าวพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ประทับนั่งท่ามกลางมหาชนพยากรเราว่าเก้าสิบสองกับนับจากกับนี้ไปท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติอย่างที่พองพระพุทธเจ้าของเราให้ฟัง พระโพิสัตว์ของเราพอได้ฟังพระดํารัสของพระองค์แล้วก็มีใจเลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดเพื่อจะสร้างบารมีทั้งสิบให้เต็มเตี่ยมบริบูรณ์สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามวติสะนั้นบอกว่าพระองค์มีเมืองเป็นที่เกิดหรือพระนครเป็นที่เกิดของพระองค์ชื่อว่าพระนครเขมะหรือเขมกะพชนกพุทธบิดาก็คือพระเจ้าชนะสันทะชนนีพุทธมารดาของพระองค์พระนาม ว่าพระนางปทุมาคู่อัคราสาวกเนี่ยนะสาวกซ้ายขวาของพระองค์ชื่อว่าพระพรหมเทวะและพระอุทยะหรือพระอุทัยนะพุทธอุปถาอุปถาของพระองค์ที่ใกล้ชิดชื่อว่าพระสมังคะคู่อัคราสาวกาิกาอนะอัครสาวิกาที่ดูแลพระภิกษุณีซ้ายขวาเนี่ยนะก็คือพระนางผดสาและสุทัตตา โผพรึกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระองค์ชื่อว่าต้นประดูพระสรีระพระองค์สูง6 0สิบศอกพระชนมายุแสนปีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางสุพัฒาพระอุรสของพระองค์พระนามว่าอานัตาเสด็จออกอภิเิษฐ์สกลด้วยยานคือม้าทัานพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาเล่านะอย่างที่กล่าวไปแล้ว พระชนมายุของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะเนี่ยนะมีดำรงอยู่ในโลกประมาณแสนปีพระพ่อองค์เนี่ยเป็นผู้มีเดชมีพระเดชไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบพระองค์นั้นอ่ะมีพระชนมายุแสนปีพระองค์ทั้งพระสาวกเสวยพระยศที่ยิ่งใหญ่อันสูงสุดเป็นยศที่เลิ่ประเสริฐรุ่งเรืองแล้วก็ปรินิพานนะนะปรินิพานไป เหมือนดั่งกองไฟที่ดับไปฉะนั้นนะกองไฟเมลุกหรือเหมือนเหมือนดวงอาทิตย์ที่คล้อยรับท้องฟ้าไปพระองค์พร้อมทั้งพระสาวกก็ปรินิพานเหมือนพลาหกคือเมฆฝนหายไปเพราะลมเหมือนน้ำค้างเหือดแห้งหายไปเพราะดวงอาทิตย์เหมือนความมืดเหือดหายไปเหมือนความมืดเนี่ยเหือดหายไปเพราะดวงประทีปฉะนั้น บทว่าอุตวโวได้แก่หยาบิมะอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสาวกอันลมดวงอาทิตย์และดวงประทีปคืออันนคือความจริงมีอนิจจังเป็นต้นเบียดเบียนพระองค์แล้วก็ปรินิพานเพราะว่าความเป็นอนิจจังของสังขารทั้งหลายเนี่ยนะเพราะที่สุดของสังขารทั้งหลายก็คือการแตกทาลายสาหรับผู้ใดที่เจริญมรา น, านุส ต, ติเนี่ยนะ คนจะเลวขนาดไหนยากจนต่ำต้อยด้อยการศึกษารูปชั่วตัวดำหรืองามเลอเลอิศปานใดก็ในที่สุดก็จบด้วยความตายหรือความไม่เที่ยงแห่งสรีระร่างกายจึงจะเป็นผู้มีรูปร่างผิวพรรณงดงามมีตำแหน่งเล็กตำแหน่งน้อยตำแหน่งใหญ่โตไล่ไปจนถึงพระราชามหากษัตริย์ผู้มีฤทธิ์มีอำนาจมีเดชมีพร ะ, ะกาลังปานใดสังขารทั้งหลายเหล่านั้นในที่สุดก็ แตกดับศูนย์สลายไปเหมือนอย่างว่าอย่างแม้กระทั่งอย่างกรุงเทพเนี่ยนะตึกๆึกทั้งหลายที่ดูใหญ่ดูโตเอกไม่นานเท่าไหร่เดียวก็ถล่มลงมาหมดอ่ ะ, อะนะไม่ถล่มโดยปัจจัยใดก็ปัจจัยหนึ่งในที่สุดเจ้าของก็สั่งถล่มเองว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีความแตกทําลายแตกสลายเป็นธรรมดาอย่างประเทศหลายๆประเทศที่มีตึกเขาสร้างตึกมานานเนี่ยนะเมื่อหลายห้าหกเจ็ดปปีมาก่อนเนี่ยตึกเหล่านั้นก็ มันหลายชั้นมากก็วางแผนว่าจะถลม่มแล้วก็ถล่มตึกสร้างใหม่ถล่มสร้างใหม่ทันสังขารทั้งหลายแม้กระทั่งว่าตกกรามบ้านช่องสิ่งเหล่านี้ก็มีอันต้องแตกสลายแตกทําลายไปเป็นธรรมดาชีวิตสังขารของสัตว์ทั้งหลายถึงจะคนระดับไหนในที่สุดก็มีความตายมันสิ่งนั้นจะเป็นผู้ใดโดยที่สุดแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความตายก็ไม่ได้กลัวนันความตายไม่ได้กลัวความคนชั่วเลยความตายก็ไม่กลัวคนดีด้วยไม่เกรงใจคนดีความตายก็ไม่กลัวคนมีฤทธิ์เนี่ยนะความตายก็ไม่ไม่ไม่สงสารคนบอบบางเป็นต้นไม่ความตายนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าพลาญสรรพสิ่งทั้งมวลสังขความตายนั้นเป็นเชื่อของอันนี้จังสิ่งใดก็ตามที่มีความแตกทำลายเสียหายไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะก็ นนะก็มีความตายเป็นธรรมดาเป็นที่สุดของสังขารทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกาหนดเพื่อความสลัดคืนสละ ค, ความอะไรนะสละความยึดถือว่าอย่าไปยึดเลยว่าสังขารจะเที่ยงนะอย่ายึดเลยว่าสังขารจะเที่ยงแม้แต่ต้นไม้ใหญ่ไม้แกนใหญ่โตขนาดใด ในที่สุดก็กลายเป็นไม้ผุไปเนี่ยนะไม่เหลืออะไรเลยสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นผู้ทรงคุณธรรมเช่นกับพระริยเจ้าทั้งหลายผู้ทรงคุณธรรมคือพระทหารทั้งหลายในที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็บัดนี้เรายัางมากก็ระลึกถึงพระองค์นะมีพระรูปอุเทสิกะเจดีย์ที่ปั้นไว้ระลึกถึงต่างหน้าแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุาที่สร้างเป็นเจดีย์บรรจุ อนนะพาพาตุของพระองค์เอาไว้บูชาระลึกถึงด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะอันนี้จังก็พา่านไปแต่สิ่งใดไม่เที่ยงนะี่ยนะบคนเราเนี่ยนะเกิดแล้วมันก็แก่แก่แล้วมันก็ตายบอกเกิดแก่เจ็บตายมันก็ธรรมดาแหมไอ้กว่าดเกิดมาแล้วจะเลี้ยงให้แก่เนี่ยมันก็ยากเงี้ยนะเลี้ยงจนกว่าจะแก่เพื่อรอวันตายก็ลี้ยงยากดูแลยากนะเครื่องนุ่งห่ม หาอาหารเครื่องนุ่งห่มให้ตามด้วยนะไม่ใช่ว่าแมมเอาแค่มาปิดแล้วเสร็จเลยไม่ชุดร้อนชุดหน้าหนาวหน้าลมหน้าฝนอยแบ่งมันชุดนะอาหารก็มีอาหารร้อนอาหารเย็นอาหารกรอบไม่กรอบเป็นต้นกว่าจะหาอาหารมาให้ได้ระวันละสามมือบ้างสีมือบ้างกอาสุดแท้แต่จะหามหลายมือได้แล้วก็ที่อยู่อาศัยนี่ก็วิจิตพิสดารกว่าจะได้แล้วก็ทั้งแม้กระทั่งยูกยาะดูแลวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันล่าก็ดูยิ่งดูแลยิ่งแก่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะ ในที่สุดก็ชํารุดสุดซอมในแต่ละส่วนแต่ละส่วนซ่อมไม่ไหวก็ตายอําลาไปจากโลกนี้ไปสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะท่านแม้มกระทั่งว่ามันไม่เที่ยงก็จริงแต่มันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ยางเจ็บปวดเนี่ยนะบอกโอ้ยใครคนไหนวะ่าความโรคภัยทั้งหมดเมื่อคนป่วยป่วยแล้วมันก็ตายนั่นแหละใช่แต่ก่อนตายเนี่ยมันปวดเหลือเกินเนี่ยนะทรมานเหลือเกินนะบอกโอ้ยเจ็บปวดมากว่านะโรคหลายๆอย่างเนะี่ยถ้าไม่มีการรักษาก่อนหน้านั้นเนี่ยนะ ตายก็จริงแต่ตายแบบชนิดที่เรียกว่าเจ็บปวดปวดขนาดไหนบอกปวดขนาดที่เรียกว่าทนไม่ได้ยาเรียกว่ายาระดับธรรมดานี้ยังเอาไม่อยู่เลยคืบางอย่างเนี่ยแทบฝิ่นแทบจะเอาไม่อยู่มันเจ็ปวดขนาดนั้นเนี่ยนะมันไม่เที่ยงก็จริงแต่มันปวดนะเอาสิสิ่งใดไม่เที่ยงพระองค์จึงบอกว่าเป็นถุกแล้วผู้ใดมีอํานาจจริงบ้างสะสางปัญหาเหล่านี้ได้จริงตั้งอดีตจวปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตใครแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้ไหม ไม่ได้หรอกเพรา ะ, ะนั้นพระองค์จึงบอกว่าปฏิบัติเพื่อความเบื่อนหน่ายคลายกำหนัดเพื่อสลัด น, นะเพื่อตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้โดยประการทั้งปวงเถิดเพราะฉะนั้นทางออกก็คือการเจริญอริยมรรคเพื่อออกจากขันทั้งหลายเหล่านี้ก็มีอยู่ทางเดียวทางอื่นไม่มีแน่แท้เพราะผู้ใดยึดถือเนี่ยนะว่าทุกเป็นความสุขผู้นั้นก็จะทุกข์ไปตลอดถ้าผู้ใดยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงว่า เที่ยงผู้นั้นก็มีแต่ทุกข์ผู้ใดยึดถือขันห้าที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาผู้นั้น น, นะรางวัลหรืออ น, นิสงกําไรที่เกิดจากการยึดถือว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาก็เต็มไปด้วยโโซกาปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปาญาพระองค์จึงสอนให้รู้ให้เห็นให้พิจารณาตามที่ตามเป็นจริงว่าความจริงของขันห้าอย่างที่เราสวดนั่นแหละความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ แม manager, одного, ้ความโศความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์มีอะไรบ้างไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ไม่มีโรคนีทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เพราะตัวมันเองก็เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงและทุกอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งการหลั่งน้าําตาทุกอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งโศกาปริเทวะทุกขโทมนัปและอุปาญาตมิใช่น้อยะนั้นเมื่อผู้ใดเห็นภัยของขันห้า เห็นภัยของขันห้าเจริญปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าสอนเจริญสัมมาทิฏฐิเจริญสัมมาสังกปะเป็นต้นเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านี้แหละที่จะนําออกจากขันห้าอันเป็นที่คือพระนิพพานเป็นที่พ้นขันห้าโดยประการทั้งปวงเนียนะสำหรับเชา้าวันนี้ก็ใช้เวลาทเพียงเท่า น, นี้นะด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้ฟังพุทธวงศ์งของพระติสสะพุทธเจ้า ขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีศรัทธา ม, มั่นคงในพระรัตนตรัยตลอดไปชาวนี้ใช้เวลาเท่านี้